สามคำสำคัญในชุดของศีลศีลวินัยสิกขาบทอย่างไรก็ตามแม้จะพูดเรื่องนี้เพียงเป็นส่วนแทรกแต่ในเบื้องต้นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำเล็กน้อยคือคำว่าศีล น, นี้เราพูดอย่างชาวบ้านว่าเป็นคำพระคำหนึ่งและคำพระแทบทุกคำก็มาจากภาษาบาลี บรรดาคำเหล่านี้แต่เดิมในภาษาบาลีเองหลายคํามีความหมายแยกไปได้หลายไนยะซับซ้อนอยู่แล้วพอนํามาใช้ในภาษาไทยพูดต่อๆกันไปความหมายที่เข้าใจก็ผิดเพี้ยนคลายเคลื่อนไปต่างๆบางคําถึงกับมีความหมายกลายเป็นตรงข้ามจากเดิมก็มีจึงต้องคอยซักซ้อมทบทวนกันไว้ให้ดีศีลที่แปล ง, ง่ายๆว่า ความประพฤติที่ดีนี้มีคำในชุดเดียวกันที่สำคัญซึ่งควรเข้าใจให้ชัดและแยกกันให้ถูกรวมสามคำคือศีลวินัยและสิกขาบททั้งสามคำนี้ในภาษาบาลีเดิมมีความหมายแยกต่างกันชัดเจนแต่บางครั้งก็มีการใช้แบบหลวมๆหรือแบบภาษาชาวบ้านโดยในบางโอกาสก็ใช้แทนกันบ้าง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 ในที่นี้เมื่อเป็นเรื่องแทรกก็กมีควรใช้เวลากับเรื่องนี้มากขอแสดงความหมายที่แท้ของคำทั้งสามดังนี้ศีลบาลีคือศีละคือความประพฤติดีงามสุจริตที่แสดงออกทางกายและวาจาเป็นคุณสมบัติของคนที่ประพฤติดีอย่างนั้นเป็นคำรวมๆเพราะฉะนั้นตามปกติจึงใช้เป็นคำเอกพจน์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 กำกับความประพฤติและการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะเกิดความเรียบร้อยดีงามและความเจริญงอกงามสำริดความมุ่งหมายวินัยนี้ก็เป็นคำรวมๆจึงใช้เป็นคำเอกพจน์สิกขาบทบาลีสิกขาปทะเท่ากับข้อศึกษา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 ภิกษุที่ตั้งอยู่ในวินัยของภิกษุคือประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทสําหรับภิกษุก็เป็นผู้มีศีลสิกขาบทสาม้อบเอ็ดข้อเรียกรวมกันว่าวินัยของภิกษุณีภิกษุณีที่ตั้งอยู่ในวินัยของภิกษุณีประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทสําหรับภิกษุณีก็เป็นผู้มีศีล สิกขาบทหข้อสําหรับข้ารือหัดคือชาวบ้านทั้งหลายมีเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นคือปัญจาศิกขาบทหรือเบญจาศิกขาบทเมื่อค้ารือหัดประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทหนี้ก็เป็นผู้มีศีลบางทีเรียกเป็นสา์ว่าเบญจาศิกขาบทศีลสิกขาบทสบําหรับข้ารืหัสห้าข้อเป็นหลักปฏิบัติที่ถือกันมาในสังคมสืบแต่โบราณ พระพุทธศาสนายอมรับตามนั้นแล้วก็มิได้มีข้อบัญญัติมากหลายที่จะประมวลขึ้นเป็นวินยัยดังนั้นตามปกติจึงไม่พูดถึงวินัยของขฤรือหัดเหมือนรู้กันว่าก็คือศีลห้านั่นแหละแต่บางทีพระอธิกขาจารย์บางท่านจัดหลักธรรมบางชุดให้เรียกว่าเป็นวินัยของข้ารือหัดดังที่คมภีสุมังคละวิลาสินีบอกว่าสิงคาละกสูตร เป็นขี้วิไนคือวิไนของค้ารือหัดและประมัตถโชติกาจัดให้ว่าการเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบเป็นอาขาริยาวิไนคือวิไนของผู้ครองเรือนที่ว่ามานี้เป็นความหมายหลักหรือเป็นการใช้คําอย่างเคร่งครัดแต่ดังที่กล่าวแล้วว่ามีการใช้คําเหล่านี้อย่างหลุมหลวมด้วย คือบางทีเรียกแทนกันได้ที่คุ้นกันดีก็ได้แก่สิกขาบทห้าหรือเบญจสิกขาบทซึ่งนิยมเรียกกันว่าศินห้าหรือเบญจศิ น, นในพระไตรปิฎกมีเรียกว่าศินห้าหรือเบญจศิน น, น้อยอย่างยิ่งเอธที่เรียกคงเป็นเพราะคำว่าเบญจสิกขาบทยาวเรียกยากเวลาพูดยังไม่เครงครัดโดยเฉพาะในคาถา ซึ่งต้องการคำสั้นๆก็เลยเรียกเป็นเบญจศีลแต่ในสมัยอัธกถาเรียกเบญจศีลคือปัญจศีละไว้มากมายครั้นมาเมืองไทยคนทั่วไปเรียกสิกขาบทหนั้นตามนิยมของยุคหลังนี้ว่าศีลห้าหรือเบญจศีลจนไปไปมาๆแทบไม่รู้จักคําว่าสิกขาบทแต่เวลาสมาทานถ้าสังเกตจะเห็นชัด เมื่อศีลมาใช้แทนสิกขาบทศีลก็เลยกลายเป็นตัวข้อปฏิบัติแต่ละอย่างเป็นข้อข้อได้ใช้เป็นพหุพจน์ได้ไม่ใช่แค่เป็นคุณสมบัติของคนไม่ใช่แค่เป็นภาวะของคนที่ประพฤติดีถูกต้องตามวินยัยเป็นไปตามสิกขาบทส่วนวินัยนั้นในภาษาบาลีเดิมเป็นคำใหญ่มากและมีความหมายกว้างขวางมากหลายในยะ เช่นเป็นระบบใหญ่คู่กับธรรมะในคำว่าธรรมะวินัยความหมายหลายอย่างของวินัยอยู่นอกชุดสาที่รวมกับศีลและสิกขาบทนั้นพอเข้ามาในภาษาไทยเพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างอย่างที่ว่าและในชุดนี้เองก็เป็นคำที่อยู่กลางระหว่างศีลกับสิกขาบทในเมื่อคำเหล่านี้เวลาใช้อย่างหลุมหลวมก็พอแทนกันได้อยู่แล้ว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 เกี่ยวกับถ้อยคําทางธรรมวินัยนั้นก็รางเรือนลงรางเรือนลงแม้แต่สามคในชุดที่พูดถึงนี้ก็เสื่อมถอยจากวิถีชีวิตลงไปอีกกล่าวคือในสามคนั้นจะเห็นว่าคําแรกคือศีลที่เป็นคุณสมบัติในตัวคนหรือเป็นภาวะของคนนั้นก็คือเป็นจุดหมายของสองคหลังเพราะที่ฝึกบุคคลด้วยสิกขาบท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 ก็พราหมัวไปด้วยแล้วเรื่องก็ไม่ใช่เท่านั้นอีกที่ว่าศีลเป็นจุดหมายนั้นหมายถึงเป็นจุดหมายในการพัฒนาคนดังที่ในหลักการศึกษาคือไตรสิกขามีศีลเป็นข้อต้นในชุดศีลสมาธิและปัญญาเรียกให้เต็มว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา แปลง่ายๆรวบรัดว่าศึกษาคือฝึกฝนพัฒนาให้มีศีล ย, ยิ่งขึ้นไปให้มีจิตใจมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปและให้มีปัญญายิ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของคนที่ว่าชีวิตคนจะดีได้โลกมนุษย์จะดีได้ก็ต้องพัฒนาคนให้ดีให้สมบูรณ์ให้มีคุณภาพสูงสุด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 ทั้งแต่ละคนแล้วร่วมกันตั้งแต่กิจกรรมเพื่อเจริญกายจนถึงกิจกรรมเพื่อเจริญปัญญามีการจัดสภาพแวดล้อมการจัดสรรแบ่งปันปัจจัยสี่และสัพพอามิตรการกินอยู่การประกอบอาชีพการปกครองและอื่นๆสารพัดนี่คือวินยัยแม้ว่าวินัยจะเพื่อศีลอยู่ในชุดร่วมกับศีลก็ตาม แต่วินันก็มีขอบขายเขตแดนแตกต่างจากศีลมีใช่เป็นเพียงคำที่ใช้แทนกันได้หรือสับสนปนเปหรือพระมัวอย่างที่ความเข้าใจของคนได้เสื่อมลงไปได้อธิบายมาเพียงนี้พอให้เข้าใจความหมายของถ้อยคำที่สำคัญเพื่อเป็นฐานของการที่จะพูดเรื่องศีลกันต่อไปในด้านหนึ่ง ก็จะได้รู้เข้าใจความหมายที่แท้จริงให้ชัดเจนแต่พร้อมกันนั้นในอีกด้านหนึ่งก็จะได้ตระหนักถึงสภาพปัจจุบันที่ได้มีความเข้าใจความหมายของถ้อยคำเหล่านี้ไม่เพียงพอโดยมองเห็นว่าความหมายได้แคบแคบคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปอย่างไรและศึกษาอย่างรู้เท่าทัานที่จะให้ได้ผลตามที่มุ่งหมายขอแทรกเล็กน้อยว่าในเรื่องวินยัย ในความหมายเชิงสังคมนั้นได้กล่าวไว้ในบทที่ว่าด้วยเรื่องกครำรบ้างแล้วควรจะศึกษาอย่างโยงถึงกันด้วยเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องศีลในเชิงสังคมโดยถือความหมายของคำตามที่เข้าใจกันแบบคลุมๆลุมในปัจจุบันเช่นเป็นคำที่ใช้แทนกันได้และใช้ปนกันไปกับคาในชุดเดียวกันพรั้นแล้วพร้อมด้วยความรู้เท่าทัานนั้น ก็ศึกษาจับสาระของเรื่องราวให้ชัดเจนดังที่จะกล่าวต่อไป